นี้ต่อไปว่าพระองค์นั้นทรงคายภาค่ธรรมว่าพระพุทธเจ้า น, นี้ทรงพระนามว่าพระขาวเพราะหมายคือว่าทรงคายภาค่าธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือชื่อว่าภาคะได้แก่โกทาสสะทั้งหลายโกาาทาสะเนี่ยแปลว่าส่วนคือมันเยอะนะเป็นเยอะแยะไปหมดเลยจำนวนว่าเป็นโกดโกดอะไรเงี้ยนะแต่โกาาทาสสะตรงนี้แปลว่าส่วนโกาาทาสะเหล่านั้นมีหลายอย่างด้วยอํานาจขัน อายตนะธาตุเป็นต้นแม้ขันอายตนะและธาตุเป็นต้นนั้นก็มีโกธาสละหลายอย่างเนี่ยนะคือธรรมะเนี่ยนะโกธาสานี้ก็แบ่งเป็นขันธาตุอายตนะขันก็ยังไปแบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณรูปก็ไปแบ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยางละเอียดเลวงปณีตอดีตก็ยังไปแบ่งอีกตั้งหลายอย่างเนี่ยนะครับโกธาสามยังแบ่งตัวไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆอย่างเงี้ยนะอายตนะธาตุก็ในยะเดียวกัน ขันก็ยังไปแบ่งเป็นรูปประขันเวทนาขันเป็นต้นและด้วยอำนาจขันที่เป็นอดีตเป็นต้นนะนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดขาดกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าทั้งหมดเนี่ยนะปปัญจะทำเนี่ยนะทำเป็นเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฐิเนี่ยนะโยค่าเครื่องประกอบทั้งหมดนะครับแล้วก็กิเลสเครื่องร้อยรัดคือคันธะทั้งหมดกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหมดสังโยช์คือเครื่องผูกมัดไว้ทั้งหมด แล้วจึงบรรลุอมตะนิพพานทรงคายขยอกทิ้งพาคาธรรมเหล่านั้นโดยมิได้ทรงใ ย, ยดีคือไม่หัวนเสด็จนะไม่หัวนกลับมาหาภาคาธรรมเหล่านั้นอีกเลยถามว่าตอนนี้ใครจะไปหาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดจะไปหาอายตนะทั้งสิสองของพระพุทธเจ้าที่ไหนตอนนี้นะจะไปหาจากักขุธาตุเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคไปหาได้ที่ไหนเพราะ อความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะนะของแต่ละพบแต่ละพบสู่พบเนี่ยนะอะไรเป็นตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมระหว่างพบนะครับจากเช่นจากขันหนึ่งสู่อีกขันหนึ่งนะครับจากขันในพบหนึ่งสู่ขันอีกพบหนึ่งจากอายตนะในชาติหนึ่งสู่อายตนะอีกชาตินหนึ่งทำอะไรเป็นตัวเชื่อมมาไว้ ระหว่างจุติกับปฏิสนธิเนี่ยนะครับผูกมัดเอาไว้ให้สัตว์เชื่อมปฏิสนธิต่อปฏิสนธิจากกําเนิดสู่กาเนิดจากพบสู่พบเนี่ยนะจากวิญญาณทิติสู่วิญญาณทิติก็คือตัณหานั่นเองเป็นตัวประสานเอาไว้เป็นเครื่องร้อยรัดนะครับตัวที่นําเกิดไปในพบใหม่นะนะั่นแหละเพราะพระองค์เนี่ยคลายไอ้ไอเครื่องผูกอันนั้นที่จะ นะขามาขายคือละอเครื่องผูกที่จะให้ไปจากพบสู่พบจากกําเนิดสู่กาเนิดจากวิญญาณทิติสู่วิญญาณทิติจากสัตว์ว่าสู่สัตว์ว่าเนี่ยนะตัดขาดเบ็ดเศษหมดแล้วนะคือหมายคำว่าที่บอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะาวางขันห้าแล้วหมายคำว่าละอุปาทานในขันห้าทั้งหมดด้วยอริยมรรคแล้วและก็ไม่ถือเอาขันห้าอันใหม่หมายคำว่าไม่ยึดติดในขันห้าไม่เพลดิดเพลินในขันห เพราะผู้ใดเพลิดเพลินในขันห้าก็แสดงว่ายังยินดีในขันห้าถ้ายินดีในขันห้าก็ไม่พ้นจากขันห้าขันห้าแต่ทีนี้พระองค์ก็เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดสำรอกขันห้าได้โดยเด็ดขาดอายตนาก็เหมือนกันคลายได้หมดเกลี้ยงเลยเพราะแทงตลอดขันขันสมุไทยนะผู้รวมๆนะขันแต่พระองค์จะตรัสคำว่าขันห้าหมายถึงทุกทุกขสมุไทยทุกขณิโรธทุกขนิโรธคามีนิปฏิปทาพระองค์ไม่ทรงมีกองทุกเหล่านั้นนนั้อีกแล้วนีนะ จริงอย่างนั้นพระองค์นี้ทรงคายทรงคายอกสลัดทิ้งซึ่งส่วนแห่งธรรมะทั้งหมดทีเดียวโดยไม่มีส่วนเหลือแม้ด้วยการจําแนกธรรมะเป็นไปตามลําดับบทอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ยังพระองค์ยังมาสามารถคายนะถ้าเราลองมาแยกๆดูว่าสิ่งที่พระองค์คายออกไปเนี่ยคืออะไรบ้างที่พระองค์ไม่มีอีกแล้วนะไม่ต้องไปถามหาเลยคือปัทวีอาโปเตโชวาโยธาต ซึ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งทีเดียวอันนี้คลายหมดแล้วนะวนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงคลายจากขุโสตะคานะเฉีวหากายามนะมณนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและพระองค์ทรงคลายรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธิภะธรรมรมนะครับหรือทรงคลายจากขวิญญาณโสตะวิญญาณคานาวิญญาณเฉีวหาวิญญาณแล้วก็กายะวิญญาณมโนวิญญาณนะครับ ถ้าพูดรวมนะครับก็คือธาตุสทาวารหนะขอแบบอา ย, ออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ 6, 6สัมผัส6นะสัมผัสที่เกิดในทาวาร6เวทนาที่เกิดจากทาวาร6สัญญาที่เกิดจากทาวาร6เจตนาที่มีในอารมหกนะครับสัญญาที่มีในอารมณ์6แล้วก็ตัณหาที่มีในอารมหกนะครับวิตกที่มีในอารมณ์6วิจารณ์ที่มีในอารมณ์6 เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงละขยอกขายทิ้งไม่ยินดีในธรรมะเหล่านี้หมดเลยพระองค์ไม่ยินดีอะไรแม้แต่อันเดียวเลยนะครับในขันธ์าตุอายตนะทั้งหลายเหล่านี้ในปียรูปสาตรูปสิ่งสิ่งทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายยินดีเพลดิดเพลินเนี่ยพระองค์ขายขยอกสำ ROC ทิ้งหมดแล้วนะครับสมดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนอนุนเหมือนกันสิ่งใดที่แต่ขัดตถาคตสละแล้วขายแล้วพ้นแล้วละได้แล้วสละคืนแล้ว ตถาคตจะกลับมาหาสิ่งนั้นอีกเรื่องนี้ไม่ใช่ฐานะจะมีได้ที่ที่พระนลขออาราธนาให้พระ อ, องค์อยู่ต่อไปนะอย่านิพพานเลยว่า ง, งั้นเถอะให้อยู่ไปเให้ดํารงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะพระ อ, องค์บอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะไปเรียกว่าไปทวงให้มันยาวไปอีกเนี่ยนะนะที่สิ่งที่พระ อ, องค์คายแล้วนี่จะไม่จะไม่เอามาคืนอีกว่า ง, งั้นเถอะนในมหาปรินิพพานสูตรนะครับ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพักวานี้เพราะหมายคำว่าทรงคายภาค่ธรรมดังว่ามานี้นะครับก็คือคายขันธาตุอายตนะอะไรหมดแล้วตามหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะไม่มีแล้วเพรันอีกประการหนึ่งบดว่าภาเควมิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคายขยอกสละทิ้งซึ่งธรรมะทั้งหมดคือกุศลธรรมนะครับและอกุศลธรรม ทมที่มีโทษหรือว่าทมที่ไม่มีโทษทมที่เลวทมที่ประนีตนะครับธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมดำธรรมขาวทางพระโอษคืออริยมรรคก็นี้ก็นี่ก็อีกสำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับที่พระองค์ทรงกล่าวถึงละคลายกิเลสเนี่ยนะหมายคาะว่าธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเนี่ยนะพระองค์ทรงละทรงคลายทรงคลายไปหมดแลว้ว ท่านทำมาในภูมิ3านี euh ่แหละบางอย่างก็เรียกกุศลบางอย่างก็เรียกอกุศลบางอย่างเรียกว่าทำมีโทษบางอย่างทำไม่มีโทษบางอย่างเรียกทำเลวทำอย่างทำประนีตบางอย่างก็ส่วนเปรียบด้วยทำดำบางอย่างก็ส่วนเปรียบด้วยทำเขาแต่ตรงนี้นี่ให้รู้เถอะว่าหมายถึงกุศลและอกุศลทั้งหลายนั่นเองนะครับพระองค์ทรงคายกุศลและอกุศลเหล่านี้ได้หมดแล้วอ่ะ คื อ, อย่าลืมว่ากุศลและอกุศลเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปพระองค์ทรงคายไอ้ต้นเหตุแห่งการปฏิสนธิในภพใหม่ได้หมดเกลี้ยงแล้วด้วยอริยมรรคเนี่ย น, นะครับนะครับที่เรียกว่าหักเียกรรมแห่งสังสารจักรนะครับแลาวก็เลยบอกว่าและทรงแสดงธรรมะเพื่อความเป็นอย่างนั้นแก่คนเราอื่นด้วยนะทาอย่างที่ว่าแล้วก็ยังแนะนําคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วย นะครับแนะนําพระคราสาวกทั้งหลายแนะนำํำภาษาริบุตรแนะนําพระโมกขลานะแนะนําพระจดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริษัทแนะนําพระปัญจาวัคคีให้คลายเหมือนกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็มันผู้ที่บรรลุอ ม, มะตะธรรมตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้นะครับหาประมาณไม่ได้จริงๆที่คลายสิ่งเหล่านี้นะครับหาประมาณไม่ได้เอาแล้วสัตว์ไม่พร่องมั่งเลยเหรอปลาหนองเดียวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ก็ไม่มีข้าวให้กินแล้วนะครับ พอัตว์นี่มันไม่มีที่สุดว่า ง, งั้นเถอะในโลกธาตุทีทบบนะ่ไม่มีที่สุดมันอยากถึงจะขนไปขนาดไหนอยากคิดว่าจะพร่องลงเลยพอสัตว์ไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับฝุ่นละอองสัตว์ก็ไปปฏิสนธิในนั้นได้แล้วนะครับแค่ฝุ่นละอองเนี่ยนะไปปฏิสนธิเป็นสัตว์ได้แล้วเนี่ยนะเพราะนั่นสัตว์นี้มีมากจนไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับบอกขนไปตั้งเยอะหน้าจะหมดไปพร่องไปบ้างไหมมัครับมันเยอะจริงๆอะ่ะ แม่พงค์ก็ยังสอนอีกนะสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายแม้ธรรมะเธอทั้งหลายก็ต้องละจะป่วยกล่าวไปลายใหญ่ถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจึงแสดงธรรมะเปรียบด้วยแพรแก่เธอทั้งหลายเพื่อต้องการให้ถ่ายถอนม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเป็นต้นนะไปดูได้ในอลาคัตทูปมาสูตรนะครับอลาคัตทูปมาสูตรนั้นพระองค์ก็ยังสอนให้ละไปทำขาวเลย แต่เบื้องต้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกับเรือเหมือนกับแพนะครับสําหรับบุคคลผู้ที่ต้องการจะข้ามฟากในห้วงน้ําใหญ่เรือก็ไม่มีสะพานก็ไม่มีมัน ก, ก็ต้องหักพวกกิ่งไม้ใบหญ้าทั้งหลายแหละพอที่จะหาได้มาผูกมามัดเป็นเรือเป็นแพแล้วก็พยายามด้วยมือด้วยเท้าเพื่อให้ถึงฝั่งพอไปถึงฝั่งแล้วมีใครแบกแพ้นั้นขึ้นไปด้วยไหมกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสว่าเหมือนกับเรือเหมือนกับแพนั่นแหละ อ, องไม่ได้ซ้อนให้แบกเรือแบกแพไปด้วยรอกน่นะแต่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อที่จะข้ามถึงฝั่งกุศลละธรรมทั้งหลายก็เหมือนเรือก็กเหมือนกับแพนั่นเองนะครับอนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพักวานีเพราะหมายความว่าทรงคายภาฆธรรมแม้ดังพันามาชนี้แล้วก็ตรัดประพัน์เป็นคาถาว่าเพราะเหตุที่ทำดำและทำขาวซึ่งแยกประเภทออกเป็นขัน อายตนะธาตุเป็นต้นอันพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงคายได้แล้วเนีย่ยนะฉะนั้นพระองค์จึงได้รับขนานพระนามว่าพาักวะพักวะขายขันธาตุอายตนะแล้วก็ยังแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์อื่นช่วยคายด้วยนะถ้าเธออมเอาไวม้มันปวดมันร้อนอย่างเงี้ยเธอนะ่ยมันก็ไปอมอะไรวะสักอย่างพระองค์ก็ไปใส้ ย, ยาให้สํารอกออกซะนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับหมอผ่าตัดนะครับ ผ่าตัดคือผ่าตัดลูกศรคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศรคือโ ม, โมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตเนี่ยนะพระองค์สอนผ่าออกให้หมดนะครับนะสำหรับผู้ที่ควรแก่การผ่านะครัะจะลืมว่าพระพุทธเจ้าจะปโปรดสําหรับเวนยสัตว์ทั้งหลายนะที่เราเคยได้ยิ น, นว่าเวทิตโพวินยูหิธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นรู้ได้ของวินยูชนนะครับไม่ใช่ภารชนจะไปรู้ธรรมะของพระองค์นะไม่ใช่ มันทำ ม, มาที่ลึกซึ้งเนี่ยนะมันเหมือนกับของดีๆเนี่ยนะมันเป็นของใช้สําหรับคนมีบุญเข้าอะนะยาจกวนิภพกผนจรไปใช้ของคนมีบุญไม่ได้หรอกครับชั้นใดก็ดีโลกุตระธรรมยิ่งกว่านั้นนะักมันเป็นสมบัติของคนมีบุญเข้าคนมีบุญเข้าจึงจะได้ใช้ซอยจึงจะได้บริโภคนั่นเองอด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า พระชินเจ้าทรงพระนามว่าพระควาพระหมายความว่าทรงมีพาคาธรรมทรงอ บ, บรมพุทธกักะาณธรรมทรงเสพพาคาธรรมทรงมีพระฆธรรมทรงมีคนพักดีแล้วก็ทรงมีพระฆธรรมทรงคายพาคธรรม น, น, นะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าพระควาที่อัตถาอิติวุตกะขยายเพิ่มเติมนะครับเรียบเรียงมาเพิ่มเติมต่อจาก วิสุทธิมรรคนะครับแต่ท่านก็ยกหัวข้อหลักๆประเด็นสําคัญสําคัญที่มีในวิสุทธิมรรคแล้วนะครับท่านก็มาเพิ่มเติมให้ใหเห็นขึ้นนะครับทีนี้มาสรุปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระควาทั้งหมด7ในที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับพระควาในที่1เนี่ย น, นะครับที่บอกว่าทรงมีภาคธรรมนี่หมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งหลาย นะครับอย่างยิ่งยวดอย่างที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญ า, าณทัศนะเป็นต้นนะครับกองแห่งธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีมากมายมหาศาลจนแม้กระทั่งายานที่เทศนาว่าด้วยปฐฐานเนี่ยนะครับอนันตนายเป็นต้นมหาวชิระยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ หรือว่าอาสยานุสยาญาณในสัตว์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกธาตุไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงมีคุณธรรมเหล่านั้นเพียบพร้อมบริบูรณ์ก็เลยเรียกว่ามีภาคะธรรมก็เรียกว่ามีส่วนแห่งธรรมไอที่พิเศษพิเศษดีๆทั้งหมดนะ น, นะรวมอยู่ที่พระองค์หมดแหละแล้วข้อสก็คือทรงอ บ, บรมพุทธกรกะธรรมนะครับคือทรงบำเพ็ญธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับนับตั้งแต่ ประชมธรรมะสโมโธทานแปดประการตั้งความปรารถนาะมีการสมาทานอธิษฐานประพฤตในการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัดบริจาคห้าประการนะครับแล้วก็บำเพ็ญคุณธรรมอื่นๆอีกที่สมควรแก่การบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสิ้นเชิงและตลอดสายเป็นไปเพื่อความวิเศษสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะนเวลาสีอสงไขยกาไรอีกตั้งแสนกับ ก็ส่วนในที่สมก็คือพ ร, ระองค์เสพพาคธรรมก็คือเสพสมาบัตินี่อย่างหนึ่งแล้วก็พระองค์นี้ทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ละธรรมะที่ควรละนะครับทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งเจริญธรรมะที่ควรทําให้เจริญเพราะฉะนั้นธรรมะหประการนั่นเองคือพระองค์รู้อภินยยะเนี่ยพระองค์รู้หมดปรินยยะรู้หมดปหาตภะก็รู้หมดสัจจิกตาภะรู้หมดภาเวตภะเนี่ยรู้หมดเลยนะครับ จำแจ้งแทงตลอดส่องเสพสิ่งเหล่านี้ตามสมควรกับสิ่งนั้นๆบางอย่างก็เสพด้วยด้วยอารมณ์นะครับต้องเข้าไปพิจารณาบางอย่างเสพด้วยการละบางอย่างเสพด้วยการปฏิบัติพอกพูนตามสมควรแก่ธรรมะนั้นนั่นะนะแล้วก็อันนี้คือคำว่าเสพภาคธรรมที่เรียกว่าพระองค์นี้ส่องเสพสิ่งเหล่านี้หรืออย่างหนึ่งก็คือทรงส่องเสพพระคุณทั้งหลายเช่น พระองค์นี้ทรงกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายว่าเออหมวดธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะออทํายังไงนะสัตว์เหล่านั้นจะได้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะมีกรุณาแบบนี้ทรงส่้งเสพแต่สิ่งเหล่านี้มากมันจึงเรียกว่าทรงเสพภาฆาธรรมแล้วก็ในที่สี่บอกว่าพระองค์นี้ทรงเศษภาฆธรรมทรงเสพภาคธรรมก็คือทรงทรงเสพทั้งสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระธรรมทั้งหลาย อันโลกิยธรรมโลกุตระธรรมก็เพียบพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์หมดเลยแล้วก็นัยยะอีกต่อไปก็บอกว่าทรงมีคนพักดีเนี่ยนะครับพักดีเพราะคือเนื่องจากพระองค์นี่มีคุณธรรมสูงสุดยิ่งยวดเนี่ยนะครับเป็นผู้ควรแก่สการะเคารพเป็นคู่ควรเป็นผู้ควรแก่แก่การเลื่อมใสว่างั้นเถิเห็นแล้วเลื่อมใสเลยว่างั้นเพราะฉะนั้น อ่จึงมีคนพักดีในพระ อ, องค์อย่างมั่นคงและประเด็นที่สําคัญคือพระ อ, องค์เนี่ยช่วยให้คนเหล่านั้นนี่ น, น, นะได้ดิบได้ดีจริงๆคนเหล่านั้นก็เลยพักดีพระ อ, องค์อย่างมั่นคงจริงๆเมื่อพักดีเนี่ยนะครับพักดีในตัวพระ อ, องค์ด้วยโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนับถือไปนับถือผู้อื่นแล้วก็มั่นคงและปฏิบัติตามคําสอนโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับการประโมยยกกล้ามเนี่ย น, นะอกอะหืมหน่อยนะ มลือสีหนาาไม่ใช่หอนนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงคายภาคธรรมนะครับแม้กระทั่งสิ่งดีๆทั้งหลายพระองค์ก็ทรงคายออกนะครับแม้กระทั่งเรียกว่าทรัพย์สมบัติหรือว่ากิเลสตัณหาพระองค์ก็ทรงคายออกนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคายพาภาคธรรมก็คือคายขันธะยตตนะสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างละบุญละบาปนะครับละบาปลอยบุญนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าพระองค์ไม่หยุดอยู่แล้วก็ไม่ภาคเพียนเพราะอะไรเอางี้นะถ้าคนหยุดอยู่นี่ก็แสดงว่าลอยไปตามน้ําคนภาคเพียนนี่ก็หมายความว่าจะว่ายทวนน้ําทีนี้ถามว่าคนยืนอยู่บนบกเนี่ยเขาจะหยุดหรือว่าจะไว่ายไหมครับสําหรับคนที่ยืนอยู่บนบกอ น, นะก็ไม่ต้องนะเพราะพระองค์บอกว่าไม่ได้หยุดแล้วก็ไม่ต้องภาคเพียนอะไรเพราะยืนอยู่บนฝั่งแล้วเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นอาเซฆาธรรมแล้วก็เลยไม่ต้องเจริญไม่ต้องอะไรสักอย่าง คือไอคำว่าเจริญเนี่ยนะคือกิจที่สิ่งเหล่านั้นนั้นไม่มีแล้วที่เหลือกอ็ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเป็นอรหันตสาวกอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับก็เป็นนาบุญแก่โลกสําหรับชนผู้ถวายอาหารบิณฑบาตเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือท่านเหล่านั้นก็ยังช่วยงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าช่วยในที่นี้ก็คือช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สรพรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับ มันก็ว่าพระ อ, องค์นี้เป็นหมอใหญ่รักษาคนไข้าหายคนไข้ที่เหลือก็เป็นเหมือนกับช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หมอนะครับช่วยจ่ายอยู่จ่ายยาแทนหมอเป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าคนที่รักษาโรคหายไม่ใช่เจ้าของเจ้าของคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธศาสนานะครับดนั้นความหมายของคําว่าพักวาก็จบบริบูรณ์นะครับส่วนความหมายของคําว่าอารหังเป็นต้นก็คงเป็นวันหลังนะครับ